เก็เดโ ม, ง เ, ด ง, มงเวอเจ็ดครึ่นเจ็ดโมงยี่สิบนะคะเดี๋ยวเขาถึงเขาจะมากใกล้ๆกันเดี๋ยวว่าคนจะขึ้นมาไหว้พระสวดคนก่อนเดียเยอะเขาบอกว่าใส่บาทรเสร็จแล้วถึงขึ้นมาทำพิธีเขาก็เลยจะช้ากันนะคะ ถ้าถ้าใส่บาด่ามันไม่ไม่ได้ฉันมันก็เก็บท่องออถ้าเรียกฉันได้ทาอะไรก็ไม่ค่อยดีก็คของมาเตรียมไว้ข้างล่างหรอกให้ไหว้ได้อดใจไว้อดใจได้เป็นพักกำลังหิวอย่าพึ่งฉันมันจะเป็นกองของน้อยฆ่าแม่ภาษาอีสานะ ถ้าเป็นถนควบอยากแต่ปากควบเกียดรูจักไหมนั่งให้รูาษาเรียนภาษาไทยยังไม่จบเรียนภาษาอีสานกินตอนหมูเดี๋ยวเดี๋ยวพูดตอนปวดวปากขวบเกียดแล้วตอนโกดรจะพูดเงียบไ้จึงไม่ทะเลาะกันปวดขมย้าวสาวขมยอด เกิดกูไม่ก้เนว่าวยังหลายรับพูดธแล้วก็ยุ่งไปต่อไปเรื่อยถ้าโกรธอูใครว่ากูนะมันเป็นอะไรทำอะไรไม่ถูกใจฮะนะยาวต่อไปเราทะเลาะ ก, กันไปแล้วกำลังโกรธดีเงียบไว้ยิ่งดีดูลมเข้าสมาธิเลยถ้าอยากโกรธโกรธไปยบมือข้างเดียวไม่ดังทําโบราณ ถ้าตบมือสองข้างเอาสองกันเข้าไปแล้วเรียนอยู่อเรเลียหรอยู่ในวัดตกโจมมาป่อยเอากันเล่นกันเอากาทเล่นทาจริงอะตีถ้าตัวหนึ่งเล่นตัวหนึ่งไม่เล่นก็เ้ยอาชิมไพ่ิีนมันก็เนี่จิงงสอนเลยกำลังโกจะพูด มั น, มนกำหย่ารับประทานมันเกิดความโลภสองวันขึ้นมาเกิดความนี้อ่าขึ้นมาทำบุญทางล่างทาบาป <c oughs> ที่ทาบาปมันเกิดกิเลสไ ด, ด้ใช่ไหมถ้าเกิดกิเลสก็เป็นบาปตอนนั้นแหละเกิดความโลภนั่นน <c oughs> <c oughs> ี่คือจะปัญญาปัญญาฆ่ากิเลสดดจะให้มันโลภ ป้องกันความวอกคือให้ญาติโยมตักใส่บาททั้งอาหารหวานขาวนั่นวิธีฆ่ากิเลสเอาใส่ถ้วยใส่จานมาเดี๋ยวกับพระทําหารถ้วยอาหารจานละใส่อย่างนี้มาไม่มีถ้วยเลยหลวงปู่แกแล้วอยากฉันร้อนๆว่าอีกแล้วท้าพราหลวงปู่พมพวกทั้งนูง่นกับทาเหมือนกันนัดนี้ถ่ายต่อไปน่นถ้าเรื่องพังต่ำมันเอาง่ายไม่อยากควมกระแสหรอก เรกว่าครูอาจารย์ได้ปฏิบัติทรมานที่เละมากนานเท่าไรไม่รู้ขอให้ครูอาจารย์ทำแล้วก็เอาทำครูอาจารย์ยังทาได้เราก็ทาได้ไปตั้งชั่วามันง่ายนะถ้าไปตั้งชั่วาั้งง่ายเดยวัทุกวันนี้ต้องยันชื่อใหม่แล้วเรื่องทานน่ะทบาปในวัดทาบุญทาบาปป้งั้นดีกว่า ตั้งบุญ้ทานตับุญทําทา น, ท, ท, านทานกับเสือสละากัมาตักครึ่งถ้วยกระป๋อนเี่ยโมาเต็มเห็นไหมละสิคนที่สิบคนจะเป็นกี่ถ้ว <c> ย <oughs> คนไทยเศรษฐ ก, กิจแย่แกเศรษฐกิจไม่ดีเศรษฐกิจดีแต่คนเฉลี่มาก อะไรก็ไม่พอของในหลวงบอกไว้ว่าอะไรกินดีกับของได้พอใจกับของมีเราได้คิดแม่ล่ะได้อะไรได้สังขารร่างกายได้ลูกกับฟันสันทานมาดีแล้วกว็รักษาโอแคนี่ไม่ต้องไปดัดไปแปลงให้มันเิเยดเยอะเดี๋ยวนี้ลูกหลานฟันก็ปร้อมจมูกก็ปร้อมขนตาก็าปร้อมเล็บมือก็ปร้อมทําไมชอบแต่ของปร้อม ดีไม่ดีตพปรานเยอะๆถ้าหล้งูไม่เขี้ยวเข็นเต็มไปหมดได้ไหจานดอกไม้จานผูกจานเทียนไม่เอาออกหมดไปไหนหลวูไปเห็นแต่ว่าของปูเป็นบ้าก็เอาเวลาออกแล้วอะไรดีวกันอะไรงานวกันอะไรสะอาดวกันกลาบถึงพระประธานถ้ามีดอกไม้ทุกเทียนกลาติดดอกไม้ทุกเทียนอย่างนันแหละพามาคืออะไรยอม สวยงามเจ้าค่ะเกิดแด้ใช่ไหมสวยงามพระเจ้าสอนให้กราบไหว้บูชาเพื่อให้หมดที่เลสไม่ใช่เพื่อส่งเสริมที่เลทําอะไรคำหนึ่งถึงความได้แต่คำหนึ่งถึงความเสียนั่นเห็นไหมเราคำหนึ่งไว้จุดนี้มันเสียนะถ้าเอาดอกไม่ทุกข์เทียนมาเสียประเพณีของพระเจ้าลูกหานทําต่อไปอีกเอาพาธรรมมาเอาพาธรรมมานั่นเห็นไหมละ่ะ ทำไมไม่เอาพระเจ้ามาตั้งบ้างไป่รู้ประวัติพระเจ้าเหลือนักพุทธเจ้าจุกทุกขุกเจียนนั่งสมาธิที่ไหนมืดเท่าไหร่ก็ยังไม่พอใจจึปับตาเข้าไปอีกกลางคืนเท่าไหร่ก็ไม่พอใจรับตาเข้าไปอีกเพื่อให้มันมืดให้ใจสว่างดวตาตลกนี่ให้มันมืดนี่ตาเนื้อาตานรกนะ ไม่มองเห็นสวรรค์นิพพานนั่นกานเอาทุกคนมีตาแล้วทำไมไม่ไปสวรรค์นิพพานหมดเราเพราะาไม่ดูสวรรค์นิพพานไปดูแต่หน้าโลกไปดูแต่บาปอะไรระบาปร่ลำรวยสวยงามนั่นบาปไหมทางโลกเป็นบุญแต่ธรรมของพทธเจ้าว่าเป็นบาป เขาทำให้คนมารักมันเป็นบาปใ็นไหมพระบรรจารนะไม่มีอย่างนี้ท่านป ธ, ธิฐานว่าให้เป็นลูกประพันธ์สันถานที่ดีสมัยที่ท่านเป็นธรรมดาธรรมดาใครเห็นผู้เห็นผู้หญิงไปนึกชอบรอเรบเปลี่ยนแพกเลยนะท่ า, านก็เบยปฏิฐานว่าขอ ได้ชาติได้เกิดมาแล้วก็ขอให้รูปปันนสันสานที่เร่เนี่ยยังได้มีรูปปั้นสันสานเป็นพระมหากันจายยา น, นะทำอะไรลงไปกบเป็นไปเพื่อดับเจเลสเพื่อฆ่าเจเลสคนมีส่งเฉิมเิเลส รวจัดอาหารได้ไม่มีช้อ น, นถ้าเอาช้อนมาใส่ก็ไม่ถูกที่เด็ดไม่มีชับพีเหรือถ้าชับพีมาให้ไม่มีถ้วยจานเหรออมาพูดให้เจ้าไม่ได้ถามผู้เข้ามาบวชว่าอาจารย์เต้ถ้วยจานท่านมีถ้วยจานไปืยังอุปชานเคยไปดูไหมคนบวช ท่านถามอะไรก่อนเวลาไปยืนจะตร <c oughs> วจถอดตรวจถอนตรวจยักติตรวจถามสักใต้แต่ถามว่าได้บริขารอะไรมาบ้างเ <c oughs> นยันเตระโตรามะฟันเตคือมีท่านมีบาทหรื อ, อยังนะ ยังสังฆสีสบงสีวอนสังฆสีมีหรือยังอย่างอันตรายอะอย่างพวอย่างอย่างมาฝาิดามันายาตาจิตูมันดาบิดาอนุญาตให้หรือยังมาพูดที่เจ้าไปขอพระ เจ้าสโทชนะก็ขอพระพุทธเจ้าขอพรหนึ่งข้อคือการที่พระพุทธเจ้าบวชให้ลาหุนนั่นหรือเฉพาะพระเจ้าสุโทชนะยังห่วงราหุนเพื่อจะให้เป็นกษัตริย์ต่อไปแทนพระพุทธเจ้าพอดีพระราหุนไปขอทรัพย์สมบัติพระพุทธเจ้ามองเห็นการไกลว่าทรัพย์สมบัติเป็นทําให้เกิด เอาทรัพย์อริยทรัพย์ภายในคือบวชให้นั่นพระอัตฐวิดาไปเห็นไหมรับสะดุดใจไม่รู้จะอะไรไม่มคําพูดเลยขอพอรอย่างเดียวคือถ้าหาพ่อแม่แม่อนุญาตอย่าไปบวชคุณบุตรลูกหลาน <c oughs> พระเจ้าจ็ได้ยกมาทุกวันจึงถามมหา <c oughs> มาตาปิตุ ป, ปิดามันดาอนุญาตหรือยัง ลงมาหมดอะนะอออของไว้ข้างล่างของมาทาบาปเอาไว้ข้างล่างข้างบนนี่เป็นวิทีทำบุญเัง <c> เ <oughs> ที่ยใหม่แล้วด้วยเราชอบยุ่งอาหานใจไปยุ่งอาหานใจไม่ยุ่งคำน้ำโพชนาอาหารนยังเรียกขึ้นมายังไม่สนใจยังก๊อกก๊กแก๊กแอยู่นั่น เคยตือนโยมไม่สนใจก็เลยทำแบบนั้นดีกว่าทำแบบติดใส่ทั้งข้าวน้ำอาหารพร้อม <c oughs> อยู่าวังกีรติ ท, ทางั้นแนะพูดยากบอกยากโยมบอกว่าแต่ทำเยอะไม่ช้าทำเอยอะเป็นให้ใส่บาททั้งอาหารพร้อมเ้า่พระพ่อฉันนะบอกพระปิดปากเลยปิดบาทเลยห้ามโยมโกนให้พระเข้าใจไหม แล้วบาพระผิดบาตผิดบาทห้ามโกรธให้พระเพราะพระเอาพอใจควาฉันแล้วเอาไปทาไมเยอ mm hmm. ะแยะ น, นี่ตามวัดตามว่า็น้องจัดไปปล่อยถูกอคนอาหารไปเยอะควาั <c oughs> นไม่หมดก็เอาไปเผื่อมาที่บ้านท่านต้เลี้ยงแมวอีกใส ผงพลาสติ ก, กไปเลี้ยงแมวอีกเป็นทาละไมไหมล่ะว่านี่หมาวัดอโศเสียงสนันวันไรอยู่เอ๊ะทำไมหมายแย่ๆพระเอามาเลี้ยงไว้คนมาปล่อยใช่ <c oughs> ไมหมล่ะคนที่จะไปทําบุญไปทําบาปไปพระยุ่งแล้วแล้วสมมติว่าคนที่เตรียมอาหารมาแล้วหลวงปู่ปิดบ่าแล้วได้ไม่กี่คนอย่างเงี้ยแล้วคนที่อยู่หางๆแถวเนี่ยจะได้บุญ ม, มากไหมคะอย่างได้สิ่งได้มาก มีปัญญาก็ใส่นิดผู้ที่แรกนี่นะเคยเตือนเราเข้าเยอะๆก็ใส่สองสามเมตรเพื่อจะเหลือให้คนอื่นได้ใส่บ้างก็ไม่ยอม <c oughs> ฉันใส่าสามช่อนอไม่ช่อนจะชัม่มีกรลำจุดับพีเสียด้วยนะจุดฉับพีเดียวกับฉันได้หมดแล้วทำไมลำบากแกไหมก็ลำบากที่เดียวโยมทายเทออกนั่นเป็นปัญหาแล้ว ถ้าไม่ถ่ายเทมันก็เต็มบาททุ่ยว่าห้ามไม่ให้ทักที่ริสุขสงรับอาหารเกินขอบปากบาทนี่ให้เตรียมอย่างมากนี่ขอปากบาทรูจ้จากนัน้นนี่ดูสิบาทใหญ่ก็ของพุทเจ้าอีกทีหนึ่งมุกเราเล็กๆเท่า ก, กับป๋องเล็กๆนี่ประเทศไทยมาบรนดาบขึ้นใหม่เพื่อใส่บริขารเวลาเข้าป่าเขก็ลงระบงสังขาติสงยัดไปตรงนี้เพื่อเวลาฝนตกเอาตรงนี้ปิดไว้ แต่นี้ของผัดเปลี่ยนเวลาเข้าป่าก็จับยัดตะวงจีวันทั้งคาติอนี้สำรองอาศัยนู่งหมไปเข้าป่าก็ดวงดท้ายไปในนี้คนก็เลยเข้าใจว่าพระบาทบางคนเขาไม่เข้าใจว่าพระกีโรบแท้าบาทใ บ, ทบไงก็ยังว่านะ <c oughs> ไม่ชีโรบออกไปทำคำ ของเหตุผลกุลพาจารย์พารรมาเพื่อใสบริหารเข้าป่าเวลาออกเสื่อสมสมโุนนั่งสมาธิก็ได้ปิดบาดไว้ผลตกมามันก็ไม่เปียก <c oughs> แ, ตแต่ก็ไม่แปดร้อนเนากต้นนกพระเข้าใจอยู่แล้วแต่โยมไม่เข้าใจก็ไปเพ่งโทษ ว, ว่าพระที่โรคบาดใหญ่บาดโต